บนเยนไม่ค่อยมีเสียงเปนพูดที่อภาพเสียงแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ไปเดินเยี่ยมนักปฏิบัติหูไม่ดีแล้วก็ไม่สะดวกอยากจะถามอะไรอยู่เดินผ่านใครที่ไหนแต่ก็ไม่ ไม่เหมาะไม่สะดวกเพราะเวลาคนที่ถูกถามเขพูดก็ดถามต่อมาไม่ค่อยได้ยินแล้วก็พวดกันโวยวายไๆพูดแรงพูดคนหูหนวกพูดบวบปกติสุภาพไม่ค่อยได้ต้องตะโกนใส่กันแล้วก็ไม่ค่อยดีก็จึงอาศัยการแสดงธรรมตอนเช้านะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาให้หลักในการกระทำงานลาผิดตัวเองก็รู้เองเวลาถูกตัวเองก็รู้เองถ้ามีสติมีหลักคือกรรมาฐานอะไรก็มีหลักกลับมาถ้ามันหลงรู้ก่ให้ถ้ามันห ล, ล, ลงก็ให้เห็นเห็นมันหลง มันก็จบแล้วความหลงไม่ต่อไม่ยาวถ้ามันทุกข์มันสุขมันรู้มันไม่รู้มันง่วงมันฝุ่งซ่านก็เห็นมันแล้วกลับมาหาที่ตัง้งแล้วกลับมาฐานอาช่วยตัวเองธรรมะนี่พุทธเจ้าสอนทรงแสดงให้บุคคลช่วยตัวเองไม่ใช่ไปให้คนอื่นมาช่วย เราช่วยเหลือตัวเราเองให้พนุนขนส่งเมื่อมันหลงขนส่งตัวเองให้พน้นจากความหลงไปสู่ความรู้ทางนี้จึงไม่ให้มีปัญหาในการปฏิบัติปัญหาอยู่ที่ใดก็เจ๊ได้ที่นั้นเหตุเกิดอยู่ที่ใดก็เจ๊ได้ที่นั้นปัญหาอยู่ที่กายก็กายแยกปัญหามีสติ ใร่วงมีใจมีปัญหาเอาใจนั่นแหละแช่ปัญหามันทุกข์อย่ใจเอาใจนั่นแหะเป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์มีสติสัมัญญะอยู่ที่ใจแล้มันสุขวันทุกข์ก็เห็นให้รู้เนี่ยหลักวัน อ, อยาเป็นผู้สุขอยาเป็นผู้ทุกข์อยาเป็นผู้รู้อย่ากเป็นผู้หลง อย่าเป็นผู้ยากอย่าเป็นผู้ง่ายจะเป็นผู้เบื่ออย่าเป็นผู้ขยันเหรอออกมามาดูนะอยู่เหนือโลกก็ข้อยโยเหนือไปอย่างนี้จึงจะเหนือการเกิดเจ็บตายได้ถ้ามาแยกตั้งแต่ต้นทางมันก็มันก็ไปอ่าเป็นทาง ไปด้วยกันอย่างทางถนนหนนทางเที่ยนทางไปเลนซ้ายเลนขวาแต่ว่ามันมีตรงที่แยกทางกันแต่ว่ามันไปทางเดียวกันอยู่ก็แยกไม่ถ้าไปไม่ถูกเลนก็แยกไม่ได้ถ้าไปลูปถ้าไปหลง เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ก็แยกยากถ้าเห็นมันรู้เห็นมันหลงเนี่ยมันง่ายมันง่ายอยู่ด้วยกันในภาวะที่หลงในภาวะที่รู้เดียวกันแต่ถ้าจะให้มันเป็นอคนละอย่างแล้วก็ไกลกันมันทําไม่ได้เขาอยู่ในเนื้อมันในมันในเนื้อมันในมันนี่ก็อะไ ให้หลักอย่างนี้ถ้าขอมีส่วนร่วมกับพวกเราเวลานี้เรามาปฏิบัติให้เป็นส่วนบุญด้วยผู้ปฏิบัติทำความดีก็เป็นบุญของผู้นั่นไปผู้ที่ร่วมด้วยก็ขอมีส่วนบุญด้วยทัางเราฟังทม ผู้ฟังก็ยอมมีบุญเรียกว่าทำมาเทศนาใหม่ผู้แสดงธรรมผู้ฟังรู้ว่ารรมาวัดศาสนาใหม่อะไรมัดทำมัดสวันาใหม่ผู้ฟังรจ ม, ม, ม, มก็มีส่วนบุญจำที่มงคล38 ตรรมะเจวานาม่เอมังคลมุตรตมัมอะไรก็ยังไม่ได้ธรมะการกัจฉาเอตรมังคลมุตธรตมธรรมสามอย่างนี้เป็นมงคลนอันสูงสุดในมงคลสาสบปดนั้นเยอะแยะเลยที่เกิดบุญของเรา <c oughs> การฟังก็เป็นบุญ ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ย่อมเข้าใจฟังไปบ่อยๆบันเท่าความนองเสียได้ฟังไปฟังไปจิตของฟังย่อมผ่องใสฟังไปฟังไปเกิดทาความยิ่ให้ถูกต้องเป็นสมาธิติลุ่งอรณุณแห่งมักฝนผ่านได้ นี่เลยว่าเขามีส่วนร่วมนัม่บวชหนุ่มตาก็พูดเรื่องรูปธรรมนามธรรมบางคนแบบไม่เคยได้ยินให้พูดในพูดให้เห็นไม่ใช่พูดในคิดทําห้มันเห็นเนี่ยกายมันเคลื่อนอยู่นี้มันมีใจกายใจถ้าเห็นแค่นี้มันเป็นดุน้นเป็นก้อน มันยังใช่ไม่ได้กายก็เป็นกายถ้ามันยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งถ้ามันทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้ามันสุขก็เป็นสุขความสุขความทุกข์เกิดจากกายถ้าเราไม่เห็นมันน่ะใจก็ความสุขความทุกข์ก็จากใจถ้าใจมีความทุกข์ก็เห็นว่าใจเป็นทุกข์ ใจมีความสุขก็รู้ว่าใจมีความสุขให้ความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่ใจแล้วแต่เหตุปัจจัยทําให้เกิดสุขกิดทุกข์อนั้นมันเป็นรุ่นเป็นก้อถ้าเราไม่เห็นมันเหมือนอยาต้นสมุนไพรมันเป็นยาอยู่แต่ว่าไม่ไดเอามาจินมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ การเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นต้องเห็นแย้งให้คุณภาพของมันเช่นหลองตาบอกว่าพยารากดำรากถอนพิษได้เอาลากมันมาผลเส่นน้ำมะนาวให้มันเป็นต้มเรามาแปะที่บาดแผลมันจะดูดพิษทดลองงูเขียวหางไหมทดลองตักหาบได้สำเร็จ ถอ ด, ดได้จริงๆเนี่ยตะขาตกัดเด็กเอามาทาให้ก็ทาบาทแผลแป๊บเดียวมันร้องไห้โอ๊ยอ๊ยอหน่อยมันก็หยุดร้องมันก็ถามว่าอะไททาเมื่อคีนเนี่ยทตไมันดูดจนร้องเลย อมาไทยอีกดูซิกมาไทยเออเอท่านแล้วตายแล้วไมันดุดดดหายแล้วหายแล้วหายเผืแล้วว่าอย่างนี้ก็เลยว่าเออมันทดลองดูแล้วันก็ใช่ได้นี่แต่ว่าเวลามันหลงรู้เนี่ยมันใช่ได้จริงๆร เรามโกรธรู้สึกตัวไม่เป็นผู้โกรธเนี่ยมันใช้ได้จริงจริงอะไรก็ตามปัญญาลากเนี่ยดาอายุวัฒนะตอนที่อาจจะมั่งกันกิดเจเจรเจร็บตายได้ถ้าจนชำนิชำนานจนเป็นหมอได้เนี่ยเห็นทรรมเห็นไปอย่างนี้ แล้วก็มาเห็นเนี่ยเห็นคิดเนี่ยที่มันเกิดจากจิตมันก็ละเอียดเข้าไปความคิดมันเกิดจากจิตเพราะจิตมันมีความคิดเป็นคู่เรียกว่าอารมณ์เรียกว่าพัฒษา โ, โนพัฒษาหารนรับ เวเป็นคู่ของกิจตาลูปเป็นคู่ของกันและกันหูเป็นคู่ของเสียงจมูกเป็นคู่ของกลิ่นลิ้นเป็นคู่ของรสกายเป็นคู่การสัมผัสถูกต้องอ่อนแข็งร้อนหนาวกิ่เป็นคู่กับลมที่เกิดกับกิ่เห็นมันคิด มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเห็นมันคิดไม่ใช่เป็นผู้คิดแต่ก่อนทีอว่าคิดก็เป็นเราทันทีพอมาเห็นรูปทำนามธรรมเขาก็ละเอียดมองออกลึกซึ้งเข้าไปบรรยากาศต่างกันมันความคิดเกิดขึ้นจากจิตมันพุธขึ้นมาอย่างเนี้ย มันจะเอะก็อย่างนี้เราดูอยู่ดีๆมันพุดขึ้นมาอย่างนีเห็นความคิดที่เกิดจากกิจโนยที่ไม่ตั้งใจก็เลยแต่ก่อนมันถือว่าเป็นของที่เห็นได้ยากกันความคิดที่เกิดจากกิจนั่นเป็นรูปเป็นก้อนเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของกิจ แล้วก็เห็นละเอียดเข้าไปเห็นความคิดที่เกิดจากจิตมันก็จะเอกันเสมือนว่าความคิดกําลังจะออกจากประตูมาส ต, ติเป็นนายเทวานบานเฝ้าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเป็นเทวานบานเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้ดูอยู่แล้วลอกลอกอยู่แล้วแต่ดูกายไปเห็นคิ ต, ต่ดูคิดก็ก็เห็นธรรม มันคิดน่ะจะเอกันเลยในระหว่างผมรู้สึกตัวกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นอันนี้ของไม่จริงว่าทนต่อการจริงของจริงไม่ได้เพราะความคิดที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่จริงกันเลยเห็นแจง้งเห็นความมายาสาตถอยเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ล่มเหลวไปเหมือนกนุศลดอกกุศลเหมือนมืดเหมือนแสงสว่างสว่างอยดดู่ดีๆดอกปุ๊บอย่างนี้ผก็คนที่เคยสว่างก็เห็นเคยมีแสงสว่างก็ให้เกิดความสว่างขึ้นมาเห็นแจ้งในความมืด กันเราอย่างกับแสงสว่างเห็นแจ้งหนะังความคิดเห็นแจ้งกับผิดบริสุทธิ์บรรจรมาทำให้จิตเศร้หมองเห็นช็อตอะไก็เห็นแล้ว ม, มันก็จืลลดก็ใจร่มระล่านไปอกุศลนั่งหลายโอ้มาเกิดจากเนี่ยอันความโกรธความโลภความหลงความทะเลตันหาต่างๆเกิดจากนี้การคิดเนี่ยที่มาตั้งใจเนี่ย แต่ก่อนก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นเป็นอาการเฉยเฉยไม่ได้เห็นล่าคมัดเห็นความคิดนี่ยเนี่มันก็เห็นอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วลแต่ว่ามันเห็นไม่แจ้งไม่แจ้งจนบอกกับตัวเองว่าโตนี้ไปควาสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วในชาตินี้ หยุดแล้วในชาตินี่ยความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกิด จ, จะไม่มีอีกแล้วความสุขความทุกข์กที่เกิดจากกายจะไม่มีอีกแล้วจะมีแต่เห็นแย้งตามความเป็นจริงของเขาเรียกว่าเรียกว่าเหนือเหนือกายเหนือใจดงกายลื่งใจจะมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นลู่หมดลอย ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เอกใจเพราะกายเพราะใจไม่มีคําว่าทํำไมเพราะกายเพราะใจไม่มีการบ้านเพราะกายเพราะใจวางภาระลงได้จากกายจากใจมีแต่สติมีแต่สัมจัญญะมีแต่เห็นก็ไปเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ามันก็มันก็เว็นการเปลี่ยนแปลงในจิตก็ได้รู้ว่าจิตเปลี่ยนแปลงก็เยว่าได้ มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศมันก็ต่างเก่าค้นภาวะเดิมแต่เหมือนว่าจะ่ไมก่อนป่าทางด้านที่เหนือฉลาเนี่ยมันเป็นป่าผงป่ายญ้าคาสูงงามมากแล้วก็มีป่าวะต่างกันกับเดี๋ยวนี้มันเป็นเชื่อเพิง อหน้าแรงไปไม่ป่ามาเอาไว้อยู่ลุกหลามไปเรื่อยๆตัวมันเห็นแช้งทำแช้งเปลี่ยนแปลงมาปลูกป่ามางปลูกไม่ยางป่ายางขึ้นบรรยากาศ ก, าก็ต่างกันแต่ก่อนไม่มีแล้วคู่คนเดินไปแถวนี้ได้มีเตพงป่ายาคามีสดพิษเยอะแยะ นี่เสือเหลืองด้วยเสือดาวด้วยจำไว้ก่อนเพราะที่ตรงเนี้มันเป็นไร่ชาวบ้านจากสลาหัวใจนี่ไปถึงหมุ้ยทางที่ตกก็ไปถึงโน่นทางด่า น, ท า, านทางด่านคือจาแพงทางด้านที่มันตกอ่ อ, อทางด่านเป็นเขตรู้จักทางด่านไหมฮะ ไม่รู้เลยเนะถอะแต่ล้วไม่รู้ทางด่าน <c oughs> ทางด่านคือทางช้างทางช้างเดินทางเดินของช้า ง, างเดินไปจะเป็นล่องเป็นห้วยไปเลยห้วยทุกห้วยในภูเขาที่อาจจะเป็นทางด่านก็ได้นะเหมือนทางเดินที่เฉยก็ยังเป็นล่องเป็นล่องไปเลยนะทางด่าน เอาทางด่านเป็นเขตแดนตรงกว่านะฮนะชาว่านเป็นเจ้าของสองเราไม่ใช่เนี่ยที่นี่ช้างอยู่ยอยู่ในเนี้ยอันว่ากินข้าวของกบขู่ข้าววีแล้วลวีเล่อไม่ได้เกี่ยวเวลาลออกมาเนี่ยเอาจินคืนเดียวหมดเลยเป็นไล่สองล่สร้างสี่ตัวห้าตัวเนี่ยม <laughs> ันก็รู้นะ ก่อนมีขอนไม้เต็มไปหมดแถวเนี่ยเวลาเขาปลุกบวชป่าพวกทำไร่เขาจะฝันต้นไม้เล็กๆลงมาฝันต้นเล็กๆลงต้นใหญ่ไม่เขาลงแต่วัาด่าไปก่อนด่าไปด่ไปด่าไปต่ไปสิบไร่ยี่สิบไร่ด่าไปแล้วอา้าแข่งกันมาคนหนึ่งเข้าต้นนั่นคนหนึ่งเข้าต้นนี่คนหนึ่งเข้าต้นนั้น ทางทางวิง่งหนีเพื่อจะวิง่งมาสิบคนสาวคนช่วยกันขวัตัดล่องจา่กันออโอดีมันก็ขาดพร้อมกันเอาไม้หเหลือไว้เท่ากันวันยังยังก็ขาดพร้อมกันเอาไม้มันเองลองก็วิ่งเอกไเอาวิ่งออกไป ก็ไปนั่งอยู่คุยกันสูพดีอยู่นะวางเฉียนต้นไม้ลมหลหลห ล, ล, ล, ลเป็นสามสิบนาทีก็ไม่นะยีะ是是่สิบ่ใช่ไหมต้นนี่ดะไปต้นนันต้ น, ตอนเอาต้นใหญ่ต้นไหนใหญ่กว่าโมก่อนลงไปพต้นนี ано, ล้ลงไปทับต้นนั่นเอ็นไปทับตั้งก็ลองไปลงไปหลดหลดหลดห <c ười> ใจหลวงพจะขนาดเลยต้นนั้นโอ้ยเสียดายเสียดายต้นไม้ แล้วเขาก็ให้ใบ ไ, ไม้มันแห้งตอนไม่เล็กอย่างเนี้ยมันจะทับลงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเชื้อเพิงข้างล่างก็จุดไฟเขาลุกมันเต็มภูเขาเลยสมัยก่อนแล้วเขาจุดไล่เขาไล่ก็จุดไล่ไหรอตอนไม่เป็นกิ่งเป็นก้านนั้นเต็มอยู่ไม่เจ็บเลยเอาปลูกเข้าวตาม เท่าของไฟที่เผาใบไม้อะไรต่างๆมันก็เป็นเท่าก็เหลือแต่ต้นไม้เล็งเค็งควงค้างอยู่ปลูกข้าวไปแล้วข้าวออกรวงเนี่ยก็ข้าวี่ยก็ลวงใบพาดขอนข้าวเพียงเนี่ยจังคอเนี่ยงี่ช่างก็ไปถอนขึ้นมาบิดรากมันออกตั้งไว้บน ขอหม่เป็นแถวแล้วก่อนเหมือนกับว่ามันมันสมน้ำหน้าเจ้าของทำไมมาถางป่าของปู่ว่าปู่เข้าจินแม่มันหมดเลยบิดกอแล้วก็จ้างไว้ตาำต้นใหม่เป็นแถวอย่างเงินเดียวไปเป็นไร่เจ้าของไร่เขาก็ให้เรา ไปดูให้ทำไมหลงตาปล่อยควยปล่อยวัวไปกินข้าวผมหมดผมทุกข์ผมยากมหาทำอยู่ทำจริโตกข้าวมาเป็นปีไม่ได้กินเลยต้องชดใช้จะปรับ <c ười> จะปรับเท่านั้นร้อยเท่านี้ร้อยต่อไปต้องไล่ดีๆรักษาไข่ดีๆอย่าให้มันกินของทำไมนะเออจะไม่ปล่อยไปกินดอก <laughs> แล้วเขาก็ปรับห0ารอยปี๊บสี่ร้ป๊บ ย, ยอมเขาจะให้จะใช่นี่ยแต่แว่าเท่านี้ขออีกก่อนจะรักษาไวยให้ดีๆจะไม่ไปกินอีกให้ภัยเขาก็บอกอถ้าป่วยม่ ก, กินอีกปรับอพีกงนะเอานี่ต้องไม่ปรับเช่นกอนก็เขามาอยู่กินจนหมดเลย เขาก็ยาิงมันเนะนี่ต้นจอมพวกในที่นี่ทั้งน้ำ่างนีเามาจูนะนั่นะันออกมาก็ยิงช้างแลวช้างเจ็บไม่สี่ตัวตัวใหญ่ออกก่อนตัวตัวที่สองมีงาตัวที่สามที่สี่เป็นตัวเล็กตามหลังเขอเห็นเขาเจะเขาบอกว่าเขาจะไม่ยิงให้เจ็บ ไปยิงขามันให้มันกลัวเฉยๆแต่เห็นงามมันอยากได้ก็ยิงใส่หัวมันเลยล้มหมเลยก็นั่งลงเลยออกมาเล่อยฟังแล that, so, so Italy, so, so, so, so, so ้วเขาก็ตัวเอากรงวิ่งใส่คนคนก็หลบเข้าต้นไม้เอมันไม่ได้คนก็กลับมาเอางวงเอางวงเหมือนไปยกก้น ตัวที่นั่งอยู่ลงลุกขึ้นสองตัวเล็กเทียบข้างอันตัวที่ใส่ก้นขึ้นกันค่อยๆใส่ก้นเข้ามาเดิ น, น, นเลือดลอยไปเลยตเตืนขึ้นมาตามลอยเลือดออกจากป่าขึ้นแหลาดแลหลยาวไปสองสาวันตามลอยเลือดไม่เห็นเลยแล้วโดยใจที่ไร ก็ตามไปตั้งกลัวทั้งต้งแต้นน่ช่างก็ไม่ไม่ใหม่เจ้าของไรก็เห็นว่าปลูกเข้ามาเอนก็ยกที่นี่ให้วัดเอาที่อื่นเปลี่ยนให้ก็เลยเป็นป่าพงนะอันนี้เราให้ฟัง <laughs> ป่าพงป่ายาาคาเกิดมาไฟไหมเดี๋ยวนี้ก็ปูกป่าอยาง ก็พุ่นภาว่าเก่าไม่ค่อยได้ดับไฟแล้วเดี๋ยวนี้ไปเห็นความคิดที่เกิดจากกิดเคยเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดโมดลงไปเนี่ยมันก็ถางเก่าเต่น๋นี้เราก็อยู่ได้ไม่เห็ดล้วง็กินใช่ไหมแต่ก็ไม่ป่าพงป่ายางหามีแต่โทษแต่ภยัยเหมือนกับกิเลสตัณหาเหมือนกับอาการเกิดขึ้นกับกิดนี่เป็นปนัญหาต่อเรามาก มีไหมเคยมีปัญหาเพราะจิตไหมปัญหาจากจิตคิดขึด้นมานอนไม่หลับมีไหมคิดขึ้นมาแล้วกินไม่ลงมีไหมน้ำตาล่วงน้ำตาไหลมีไหมมีการตะกรอนแบบนี้มันไม่มีจะทำ ไ, ไงอู้วันพุ่งภาวะเก่านี่แหละวิปัสนาพ้นภาวะเดิมอย่างนี้ ใช่เราสอนก่นเล่นๆเป็นพิธีดีตรงเข้าให้ถึงให้มีสติอย่าไปทำเป็นสักตัวําสำเฉยให้รู้สึกตัวให้รู้จึกตัวเนี่ยมันเป็นไปได้ตู้ใดเห็นธรรมพุทธเห็นวพระพุทธเจ้าพุทธเห็นพระพุทธเจ้าพุทธเห็นธรรมพระพุทธเจ้าขอรพพระธรรมสิ่งที่ทําให้เกิดพระพุทธเจ้าึ้น เป็นผู้เจ้าขระนม่เพราะน้ำนี่นเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยมันหลุดออกมันพ้นไปพ้นภาวะเก่าอย่างนี้ระเบิดวิปัชนากรมฐานร่วงพ้นภาวะเดิมจากผู้ดูชนเป็นกันลยาณชนเป็นสูงขึ้นไปจิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่มันเหมือนเก่า เราเคยโกรธมันอาจจะไม่โกรธเราเคยทุกข์มันอาจจะไม่ทุกข์เราสิ่งที่เราเคยหลงมาจะไม่หลงสิ่งที่เคยหลงมาเป็นความรู้เป็นปัญญาสิ่งที่เคยทุกข์มันเป็นปัญญาเนีย่ยที่บอกพุท ธ, ธาภาวะเกิดขึ้นในจิตของพระองค์อันเกิดอย่างนี้เกิดกับใครก็ได้ เกิดขึ้นกับใครก็ได้อันชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นจัตประเสริฐจนพระพุทธเจ้าลดพงมาเราตถาคตท่านทั้งหลายก็เหมือนเราตถาคตท่านเราตถาคตก็เหมือนท่านทั้งหลายเดินไปด้วยกันเดินไปทางเส้นเดียวกันไปถึงที่เดียวกันเหมือนกันหมด นคือมามีสติเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าสอนขอยก็ดามเธอจงไม่สติตงวทำเอาให้ไม่ได้ให้แต่พระเทวทัตซึ่งเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับพระองค์ก็ให้เวลาเลยพระเทวทัตไม่ยอมฟังจนเป็นจตูกันใช่ไหมทีอทั์คือใครฮะ จ น, นะ <c oughs> นเจ้าฟาชายเหมือนกันนะจะฟาชายเหมือนกันแขงขันกันเ ต, ต็มเป็นเจ้าฟาด้วยกันยิงทนูท้พนดาบขีนะ่นก็บเทวาทนนะาในระหว่างเจ้าฟาฉาัยสองวงเข้ใดก็สู้เขาศระธรรมดาธรรมดาคนที่แพ้ก็ต้องอิจฉาใช่ไหม จะอากันมาตลอดออสิทธะถ้าออกบวชเทวทัตออกบวชตามไปเช่นกันอะไหรตั้งละทิขึ้นมาไหมแช่งขันกันแย่งกันมาผมกีวยอยนเหมือนกันแต่จิตใจคนอ่านกันอันนี้ก็คือช่วยไม่ได้ท่าเราจึงช่วยตัวเองถ้าเรามาช่วยตัวเองพุทเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ เราจึงมาปฏิบัติแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นใดให้มาลู่เองกายก็มีอยู่แล้วพลิกมือขึ้นในลู่เนี่ยเวลามันหลงไปก็ลู่อย่างเนี้ยถ้ามันหลงไม่ลู่ก็เรียกว่าเกียรติค้า น, นอนอยู่บ้านเด็วกว่าถ้ามันนั่งคิดถึงบ้านทีนี่ใช่ไหมให้นอนอยู่บ้านจะไม่มีประโยชน์ถ้ามันคิดไปขึ้นมา นี่เราก็อยู่นี่ก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เราคนเดียวเป็นเพื่อนกันพระอาจารย์โจก็โน้นไม่ชีอยู่ที่นี้พี่น้องของเรานั่งอยู่โน้น од, อบอุ่นแล้วก็มีที่อยู่ใาศัยพออยู่ได้มีข้าวมนน้ํากินพออยู่ได้น่ะย่าให้ดีเกินไป อยาให้สะดวกเกินสบายให้ยากยากสักหน่อยความยากตอนมลำบากอาจจะเข้มแข็งความสะดวกสบายอาจจะอ่อนแอได้ขัดนี้ใส่ของตอนให้เป็นความเข้มแข็งอยู่ในความ อ, อ่อนแอมันหลงให้มีความรู้อยู่ที่นั่นนั่นทุกข์ให้มีความรู้อยู่ที่นั่น รีว่าทวนกระเสอิกับปฏิคือเปลี่ยนได้เป็นดีเนี่ยี่ไหมมันหลงไีไหมมันทุกข์มันโกไหมไหมเปียนให้เป็นความรู้สึกตัวไปหมดเลยจึงจิตเรียกว่าปฏิบัตเปลี่ยนทันทีจะให้ช้าเหมือนเราโอ้มุงเวลาเขาวงหลงปิดทันที ถ้าไม่ปิดยุงมันจะเข้าไปออกประตูต้องปิดประตูชวนกุรายบันเยอะเจงของอย่าสลุชวลไลเจ็บก็ไม่ดีอย่าประมาทตอนนั้นเป็นประตัวภายนอกวัตถุภายในคือกายคือใจเรานี้อย่าสลุชวลไลคิดอะไรก็ได้ใช็จะเป็นนิสัย ไม่เห็นความคิดตัวเองมืดบอดไปความคิดความคิดไปเรามืดบอดได้เพราะไม่ค่อยรู้จักเหมือนตรงที่มืดก็มือดอยู่จนนั้นถ้าส่องแสงสว่างในที่มือดอาจจะเห็นเหลือได้เหมือนพระเจ้าโบกคนหลงทางท่องแสงสว่างเข้าไปในที่มืด นี่คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวตนทุตทะคือภาวะที่รู้หลงที่ใดรู้ที่นั่นอย่างนีเป็นคณไม่ใช่เป็นรูปเป็นต้นเป็นตัวเป็นตนแต่นี่พระลูกของพระองค์ไม่มีแล้วปะริญพานไปนานแล้วแต่คำสอนยังอยู่เรียกว่า ค, คณ พระพุจ้าเป็นเครื่องกัรจัดทุกข์พระธรรมเป็นเครื่องกัรจัดทุกข์พระสงฆ <c oughs> <c oughs> ์เป็นเครื่องกัททรจัดทุก ข, าขา์อาเจยเป็นตัวเป็นตนมาช่วยคนเป็นเครื่องพุทโธทุกขตจารคตาจะวิคาตาจะหิทธาจมใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกัรจัดทุกข์ ส่งไว้ซึ่งประโยชน์แจกข้าพเจ้าละโมทุกขศขาตาจะวิคาตาจใจทัศเมพระธรรมแบ่งเครื่องกันจัดทุกทรงประโยชน์ไว้ถึงข้าพเจ้าเป็นของเราเออกมาใชา้ถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของเราอยู่ข้าวมีข้าจกินอยู่ก็ไม่กินอันนี้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่วัตถุคุณเนี่ยไม่ใช่วัตถุ การคุณธรรมไม่หนักหนาสหออาหะอันตรายเบาเวลามันหลงรู้ใช่แล้วใช้ความรู้คู่กับความหลงมันไม่ตรงกันข้ามเพื่อนมีการเกิดการเจกบการเจ็บปันตายอันก็ไม่เจ็ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายไปแค่นี้เราก็ยอมแล้วกคอยที่จะทุกข์ เลาก็มีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วเราจะยอมหรือน่ลองดูศึกษาดูซิมันไม่ใช่อันเกิดเจ็เจ็ตายไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเราต้องหนือไม่เป็นเช่นนั้นให้เห็นมันเห็นมันเจ็เห็นมันเจ็บ เ, เ, เ, เ, เห็นมันตายบางคนจะไม่เคยเจ็ ไม่ชี้น้อยนี่นั่งอย่นี้ยังไม่เจ๋่ไม่เห็นความเจ๋่่ดวงตาได้เจ๋่่แล้ว <c oughs> <c oughs> เจ๋่่แล้วทำคนเจ่่้เป็นทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์ดอกสบายขัวเกา่ามือก็แดงเขียวเลยฝาเท้าก็เครี้ยงเกา่าไม่ไปเป็นเจ็บน้งกับเหมือนเมื่อก่อนความแก่เนี่ยมั น, มกนมกเกิดมันก็สะดวกสบาย ความเจ็บก็สบายเคยเจ็บมาแล้วตุศรสาหัสหไม่ใช่ความทุกข์ความเก็บเจ็ บ, จบไม่ใช่ความเจ็บเป็นความทุกข์ความเก็บเป็นความจริงของความเก็บแต่มันไม่จริงแบบมันไม่เก็บไอความจริงมันก็ไม่จริงเห็นความเจ็บไม่จริงก็ไม่แก็มันจริงกว่าไม่เป็นผู้แก็อ่า ความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันจริงไม่จริงแบบความเที่ยงใช่ไหมควาไม่เที่ยงมันจริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงไม่ได้เราเห็นอย่างนี้ว่าปัญญาความทุกข์มันก็จริงแบบความทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความไม่ทุกข์ จะความทุกขมันเป็นความไม่ทุกข์ที่จะเห็นมันไม่เป็นไปกรรมมันไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์อย่านี้เพราะจึงเหนือทุกข์หนือสุขก็เหนือทุกข์ขเหนือสุขนี่เป็นนิพพานนะเขาอยู่ภาคใต้นั่งอยู่นี่มีอยู่ภาคใต้มีไหมท่าไหนรองเพลงกอมลูกให้ฟังหน่อยดียที่ภาคได้ได้ไหม อ้าคนภาคต้ทำไมร้องเพลงไม่ได้แล้วกล่องลูกยังไงอยากฟังไหมร้ <c oughs> องเพลงกล่อลูกว่าอาเ้านาิเกการทะเลขีเพลงฝนตกให้ต้องว่าลองไม่ถึงกูจะไปถึงได้ก็เป็นผู้หมดบาปดปุณโคนกล่อลูก เป็นนิพพานเลยเผ่าไหนเกกลางทะเลขี้เพ่งทะเลขี้เพ่งฝนตกก็ไม่ต้องผ้าร่องไม่ถึงแต่คนที่ถึงมาเผ้าต้นนั้นนด้ต้องพ้นกับบาปจากบุญจึงจะไปถึงได้เหนือบุญเหนือบาปเหนือุกเหนือตกได้เพ่งก่อมลูกคนตายอาจารย์พูดทัา ทำเป็นรูปทำไว้โขกมาผ้าไว้กลางน้ำํำโผจะล้องเดี๋ยวจะมีคนขี้เสืออยู่เนี่ยอมีมาแล้วนะคนขี้เสือทาไม่มีคนขี้เสือทําไม่มีวัวเทียมเกวียนทาไม่มีหมาเห่าช้างอาจารย์สยุนทําเป็นรูปมาลองตาพูดเล่นๆเนี่ย พิเรศมันหมาสติเหมือนชาติอาจารย์สยดไปจ้างช่างกับพันเป็นภาพอีกหน่อยจะมาตั้งจอนคะ้นือเสือกำลังตั้งเยูนะันมาแล้วมันมีท่านมองว่าที่ใดมีป่ายาประมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถาน คอจับต้องมองเหยื่อทุกวันวานไปเดินผ่านไม่ระวังไม่หวังตายณที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหามีโฉมหน้ายอดพระธูปดูเฉดฉายตเตะเขี้ยวเล็บที่นั่นอันตรายผู้หวังได้สงบเย็นยงเห็นพัยณที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหาอวิชชากว่าไม่รู้พาให้หลงไหลแม่เสืองามตันหาพมนักไหน สอเมื่อใดข้าเสื้อได้ขี่เสื้อเลยสบายเอังก็มีแล้วก็จะมีกาปะพ้ามกัน